มันก็มันจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วกันให้ใจมันเจ็บ มันเศร้าเหลือเกินชอบไปทำสิ้นเปลืองเอารักไปฝากทำไมแค่เขาทำเกินก็คิดเกินไปใหญ่แล้วไงแล้วไงต้องมานั่งล้างท่อน้ำตา จดจําไว้ในใจเจ้ากรรมตอกละย้ําให้จําฟังใจใส่องค์เฮราฟันดินเอาไว้อย่ามัดง่ายๆๆ อย่างไรก็ขอบใจเธอก็ขอบใจเธอที่ช่วยสั่ง อาบ จดจําไว้ในใจเจ้ากรรมตอกละย้ําให้จําฟัง ใจเธอที่ช่วยสั่งช่วยสอนหัวใจ